ชุขตูโลกวิทูติดีณั บ, บัตินี้จะได้อธิบายในชุกขะตูแปลว่าผู้ไปดีมาดีโลกวิทูผู้รู้แจงโลกไปดีขึ้นไปอย่างไรเช่นพวกเรา มาเกิดในชีวิตนี้รูปร่างผิวพันวันณนะสาริละร่างกายของตนไม่ขาดตกบกพ้่องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ได้เล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆทุกอย่างอันนี้เพันธ์เราว่า สุขโตมาดีอีกอย่างหนึง่งชุขคต์ของพวกเราทุกทุกคนให้พ้พากันสนใจในทางธรรมะของพุทธะอันนี้พันเรียกว่าเป็นเครื่องติดตามนำตัวของเราไปตลอดทุกภพชาติ จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติอดีตที่สุดยึงได้ชื่อว่าสุขะโตแปลว่าผู้มาดีผู้มาแล้วไม่สนใจมาแล้วไม่มีคิดอ่านอะไรในทางพุทธศาสนาศาสนาของพุทธในประเทศไทย พระมาหากัติ์ตั้งแต่ดึกดำบรรกันมาได้รักษาวมาให้มีความล่มจมเสียหายประการใดได้สมบัติอันดีที่พวกเรา <c oughs> จะได้เป้นเครื่องประดับจิตใจของพวกเราจะได้ไปสู่ความสุข ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีอีกต่อไปไปต่างหน้าอันนี้เป็นว่าสุขคตเปลว่ามาดีทุกขโตมาไม่ดีนั้นมาเกิดขาดตกบกของสาริละร่างกายของตนเช่นเป็นบาปใบาเสจิตขีทูดกุดขัง แข้งขาพวดอะไรทุกหลายอยา่างหูหนวกตาบอดอันนั้นเป็นลมมาไม่ดีไปไม่ดีนั้นจากมนุษย์ไปแล้วได้ไปสู่นรกสวยความทุกข์ยากลำบากคนจากนรกมาเกิดในโลก ก็คาดตกบกค้องไม่สมบูรณ์ในชีวิตของตนอีกต่อไปให้เราคิดนึกบุกคคลอยู่ในโลกในเวลาบัทเดียวนี้ผู้ที่ลำํำลอยมั่งนะมีมีปัญญาความคิดความอ่านความฉลาดประการใดๆอะไรกันเล่า อันนั้นแปลว่าเขาใช้กินสมบัติของเก่าเจ้าของที่ได้สะสมไว้แล้วตั้งแต่อเนกชาติจึงได้ขึ้นชั่วมาแล้วสุกโตเป็นสุขบุคคลที่ขาดตกบกพ่องเพราะการใดๆทุกอย่างลำบากกลากกลํำเพราะการใด ห, หาอะไรที่จะอยู่จะกิน จะใช้อะไรก็ยากอันนั้นจะเกะอะไรอันนั้นเรียกว่า <c oughs> อันนนนเรว่าทุกขโตมาไม่ดีเมื่อไฟกล้นของตนไม่ฟักไฟในความดีประการใดก็ต้องทุกข์โตไปไม่ดีอีกอย่างเก่า นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกในชีวิตของตนทุกคนเราทุกคนในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เรากินของเก่าเจบของที่สะสมมาไว้แล้วหนึ่งร่างกายสมบูรณ์สองปัญญาความคิดความอ่าน ศิลปะวิทยาใดๆทุกอย่างสามตัวของเราทุกๆคนนั่นเองเป็นคนผู้ได้รับความสมบูรณ์ในชีวิตที่เกิดมาบัดเดี๋ยวนี้อันนี้พูนเรียกว่าเรากินของเก่าของเราที่สะสมไปแล้วแต่เบื้องหลัง เกิดมาชีวิตนี้ตัวของเราจึงได้รับผลความดีของตนตอลอดกันมาให้เราทุกคนจงคิดอ่านให้ดีว่ามนุษย์ในโลกทำไมเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทำไมยังไ ม, <c oughs> <c oughs> ไม่ความสมบูรณ์ เพราะด้วยเหตุการณหใดตนของตนที่ทำไว้ไม่ดีทางนั้นบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกคนยังจะเกิดในโลกอันนี้อีกต่อไปหลายภพชาติมันต้องสะสมสมบัติความดีคือ <c oughs> คือบุญกุศลและธรรมะ ให้เป็นสมบัติให้แก่ใจของพวกเราทุกๆคนเรายังจะมีการเกิดการตายในโลกต่อไปเป็นนิสว่าเรียกว่ากรรมโนาวัตติโลโกกรรมเป็นเครื่องหมุนของสัตว์ทั้งหลายในโลกกรรมความดีหมุนให้ได้ความสุขเป็นมนุษย์ปินเทวดา กำความชั่วหมุนให้ได้รับความทุกข์เป็นเปรกเป็นผีเป็นปนุษย์ถูกทุกข์กลก้มเต็มที่ตกนรกอันนี้ลให้เราทุกคนจงคิดนึกในตัวของเราพระอริยะเจ้าทาั้งหลายที่ได้สำเร็จหมักผลไปแล้วในศาสนาพุทธเจ้าโคตมะ พุทธองค์สอนในยี่สิบล้านกับห้าหมื่นอันนั้นเป็นส่วนของพุทธท่านก็เตือนเสมอว่ากินของเก่าจากของมาทางนั้นจึงได้รับผลความสุขนอกก็นั่นแล้วเป็นสาอกของพระสงฆ์ทั้งหลาย ตังสอนชี่แจงแสดงให้ประกอบความดีของตนตลอดมานี่นะให้เราทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตประเดี๋ยวนี้เ <c oughs> มื่อยุคสมัยพระพุทธเจ้าว่าตรัดในโลกคู่คนทั้งหลายอัดแอยัดขึ้นไปบนสวรรค์ หลายที่สุดมากที่สุดจนนับจนขนาดนาประมาณไม่ได้เมื่อพุทธเจ้าหมดแล้วพระอรหันต์หมดไปแล้วบุคคลทั้งหลายนาที่ไปชูนรกและบุคคลทั้งหลายที่ไปอยู่สวรรค์ จุดติลงมาเกิดว่าศาสนาพุทธยังมีอยู่ลงมาแล้วก็ไม่ทำความดีประการใดความจิตนาว่าจะมาสร้างบำเพ็ญความดีเพิ่มเติมบา ร, รมีของตนลงมาเกิดแล้วกินเหล้าเล่นเออกเลิกเฮฮาเล่นไปทุกอย่างในโลก ถือว่าตนของตนเป็นคนเสรีทำอย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตนไม่ได้ขัดข้องไม่มีใครของห้ามอันนี้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ร่างกายอันนี้ ใจเป็นผู้รักษาขันท่าทางสีนี่เองขาดตกบกพร่องถาดหนึ่งถาดใดถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟไม่สม่าเสมอกันแล้วใจก็รักษาไม่ไหวก็ห น, นีออกไปทันทีเมื่อเวลานี้ออกไป ความดีสะสมไวแล้วความดีก็พาไปความสุขความชั่วสะสมไวแล้วความโช้ะก็พาไปความทุกข์ผลทางไปเป็นอย่างนี้ที่เรายัางเป็นบุตตุชนคำว่าบุตุชนแปลว่าตัวของเราทุกทุกคนนั่นเองเป็นคนมืด มืดไม่รู้จักว่าตัวของเรามาจากที่ไหนมาเกิดประเดี๋ยวนี้จะไปจากที่นี้จะไปเกิดเป็นอะไรกันเราก็ไม่รู้อันนี้พิ่าว่าบุตรชนบุตรชนอีกที่สองนั่นพันแหกว่าบุญกับบาปทางสองมันเป็นคู่กันอยู่ในใจของบุคคลหนึ่ง บุคคลที่ลงมาเกิดบุญกุศลของเขามันแรงกล้าสามารถบันดลบันดาลตนของตนนั่นเองให้เชาะแสวงหาบันดิตเพิ่มเติมความดีให้กัจิตของตนบุคคลที่บาปกรรมของตนมันมากความดีมันน้อย วันดนบันดาลให้ตนของตอนนั่นเองทำความชัว่วทำไปที่ชิงที่ความพอใจในโลกประการใดๆอันนี้เรามนุษย์คนเราที่มันไปตกนรกไม่ได้คิดอกใยในคาพูดของบัณฑิตประการใด ธรรมะของพุทธะชีดบอกหนทางว่าไปนรกก็ไปสวรรค์เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราญาติพี่น้องทุกคนควรสะสมสมบัติความดีของตนตลอดไปจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราเป็นผู้รู้จักว่าโลกวิชู รู้จักโลกหนึ่งมวโลกสะสมความดีได้ขึ้นอยู่เหมือนผมเมืออายุกจุติลงมาสองเทวโลกสะสมบุญกุศลสมบัติความดีก็ต้องไปสู่สวรรค์สามมนุษย์โลก โลกมนุษย์นี้แปลว่าเป็นบอกเกิดแห่งความดีและความชัว่วเมื่อเราฟักไฝ่ความดีแปลว่าเพิ่มบุญกุศลให้กจิตคันถ้าเราไม่ฟักไฝ่เราเล่นไปตามความพอใจของตนบุคคลนั้นก็ต้องไปชูนรก อันนี้แปลว่าโลกที่สามโลกมนุษย์โลกที่สีได้เกลียดทั้งหลายนับตัง้งแต่สัตว์เดราาัจฉานลงไปถึงพวกตกนรกสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์คนเราเห็นกันอยู่จะช่วยเหนือไม่ได้เพราะด้วยเหตุประการใด พ ก, กรรมของไขของมันลุคะเทวดาภูมิมาเทวดาอากศสธาเทวดาเห็นกันอยู่ผกเปรียดผกผีเล่ยรอนสั่นจรอยู่ในโลกช่วยเหลือเขาไม่ได้ผู้ความสุขก็มีความสุขอยู่ตลอดไปผู้มีความทุกข์ก็ทุกข์อยู่ตลอดไป นรกทั้งหลายกับพวกชาวสวรรค์ก็เห็นกันอยู่เะช่วยเหลือกันไม่ได้ผู้สวยความทุกข์ทุกอยู่อย่างนั้นตลอดไปสินิดผู้มีความสุขล่าเริงบันเทิงจะตลอดไปสินิดกันตนาเนรกกับอวิจี พวกผมก็เห็นอยู่พวกนี้แต่พวกนรกเหล่านี้ก็เห็นอยู่พวกผมทั้งหลายมีความสุขอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้จัวของเรามันมีคู่อยู่คืออะไรหนึ่งกายกับใจเป็นคู่หนึ่ง ใจของพวกเรามันมีคู่อยู่คืออะไรหนึ่งบุญกับบาปเป็นคู่กันอยู่ในใจของเราการเกิดของพวกเราควาเดียวนี้มันมีคู่กันอยู่มีเกิดก็มีตายมีหนุ่มก็มีเก่มีความสุขก็มีความทุกข์มีความงู้ก็มีความสลาด มีมืดก็มีแจ้งมีดีก็มีชั่วอันนี้พระหะว่นมีคู่อยู่อย่างนี้ตลอดกันมาเดี๋ยวนี้ตัวของเราที่นังอยู่ด้วยกันในเวลาบาัดเดี๋ยวนี้บุญกับบาปมันมีอยู่แล้วในใจของพวกเราทุกๆคนเราจะเพิ่มบุญหรือจะเพิ่มบาป จะให้คนอื่นช่วยเหลือช่วยเหลือไม่ได้เราเองต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเราเองต้องเป็นผู้แก้ไขเราเองต้องเป็นผู้ปวดเรื่องออกัฟสิ่งที่ไม่ดีในใจของตนบาปเหล่านี้ตั้งแต่อเนกาชาติที่เราเกิดมาไม่ได้คบกัาบัณฑิตยุสมัยศาสนาไม่มีพุทธะเกิดขึ้นในโลก เราหาอยู่หากินเลี้ยงชีวิตครอบครัวมันก็เป็นบาปยุดตลอดกันมาปีนี้บุญกุศลของเราเมื่อเกิดพบพระพรพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้ตั้งใจทำความดีทำบุญทำทานปัดใจสังสีสักการะบูชาฟัางเทศฟังธรรมกราบไหว ตอดทุกรายการบุญกุชนที่ทำไว้อย่างนี้มันมีการหายบัดเดี๋ยวนี้ตัวของเราบุญกับบาปทางสองอะไรมันมากกว่ากันให้คิดอ่านในชีวิตนี้ตัวของท่านทั้งหลายเพิ่มบาปมากกว่าหรือเพิ่มบุญมากกว่าให้คิดอ่านตนของตนทุกคน คันชอบกินเล่าอันนั้นก็เป็นเพิ่มบาปมากแล้วคันชอบไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลห้าตั้งใจเลี้ยงวิดามารดาขลบคนเท่าคนเจวัยวอุโธคุณอุโธตั้งใจทำความดียุตลอดไปอันนี้แปลว่าผู้เพิ่มความดีมากให้เกจิตของตนบุญไม่เป็นตนเป็นตัว บาปไม่เป็นตนเป็นตัวใจไม่ได้เป็นตนเป็นตัวใจเป็นของมิลิทให้เราคิดนึกว่าต้องการจะไปทางไหนใจบังคับไปทันทีขึ้นต้นไม้มก็ขึ้นทันทีลงน้ำลึกก็ลงได้ทันที จะแบกของหนักของเบาจะถือของหนึของหอมของสกปรกของสะอาดประการใดๆกายมันก็ถืออยู่ทางนั้นแบกทางนั้นเพราะใจเป็นผู้บังคับอันนี้แหละพนวัตใจเป็ของมิฤทธมีอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกๆคนบุญกุศลก็เป็นของมิฤทธิ์ให้เราคิดเนึกว่ามุคนลอยมุขนสลัด คนลูกงามว่าจะดีมีทัพพวกเพื่อนผุงประกรันใดมันมาจากไหนกันเล่ามันมาจากฤทธิอำนาจของความดีเจ้าของที่ทำไว้แล้วทังนั้นบุคคลที่มีใครนับถือหรือหน้าประกรัในใดๆไปทางไหนชมชอยุตลอดกันไปอันนั้นคืออะไรกันแล้ว บาปกรรมของตนมันขอบงำอยู่เสมอเป็นนิดมันมีการที่จะบันดาลให้ความล่าเลิงบันเทิงปราะการใดๆอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคน ใ, ในชีวิตบัเดี๋ยวนี้หน้าที่ของพวกท่านยังจะเกิดต่อไปมวัวหน้าจะทิ่พบจะทิชขา กักทร้อยกักที่พันกักหมืน่นกักิแสนกักิล้านกว่ามันจะใชยชนะชิงความโช่ใดๆจงจะได้สำเร็จมรรคผลพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้สำเร็จมรรคผลเหล่านั้นกราบคูณองค์พระพุทธเจ้าข้าพระองค์เป็นสัตว์เป็นมนุษย์ ก, ก็ดูไม่ทุกไม่ฟังเท่ากันขปูเขาหลุดหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันทุกพังไปหมดแล้วอันนี้แหละพันเราว่าการเกิดในโลกมากที่สุดในโลกหาความมาไม่ได้แต่เรื่องการเกิดไม่ใช่เกิดได้ทิ้งเก่าชุดแล้วจกักรวรรกรรมพาไปเกิดทิศใต้คิศเหนือไม่ต้องเข้าใจไปเกิดไปเรื่อยๆ บุคคลผู้ทำความดีอยู่เสมอบุคคลนั้นเขาต้องไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ทพบ ป, ปะบัณฑิตเขาทำความดีจิตของเขาก็สว่างสวยก็ต้องไปสู่สวรรค์อีกอย่างเก่าอันนี้ให้เราทุกคนอย่าที่น้องวันเดียวนี้ อย่าถือว่าร่างกายของเราอายุยืนยาวร่างกายอันนั้มันอยู่กับแค่ลมหายใจเขาออกนี่เองนิดยังมีอยู่กับลมหายใจเขาออกขณะลมหายใจไม่เข้าออกแล้วก็ไปเอาหมดแล้วหนทางของมันดัองได้ขึ้นชื่อล่า่างกายหบนอายุ แต่จิตนั่นมันมีการร่วมการหายมัมีการตายประการใดๆเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเพิ่มความดีให้แก่จิตของตนผลฉีนูขีน ท, ที่เขาเพิ่มความดีให้แก่จิตจนี้กาลังสามารถชารนเอาร่างกายนี้ไปได้ตามความสบายใจ อีนน้แปลว่าผู้เพิ่มกําลังให้จิตมีกําลังขึ้นนี่ให้เราญาติน้องทุกคนจงรู้จั ก, กว่าประเดี๋ยวนี้ตัวของเราเกิดมาพบปะแล้วศาสนาของพุท ธ, ธยังมีอยู่ศินห้ายังมีอยู่ชินแปดยังมีอยู่ชินชิดยังมีอยู่ หินสองร้อยยบเจ็ดยังมีอยู่หินหนอกปาตีโมกยังมีอยู่หินอภิชมาจารสามพันห้าร้อยโตยังมีอยู่หินเป็นเครื่องกางกัน้นหินเป็นเครื่องรักษาอันตรายแม่เข้ามาทำลายใดในจิตของผู้คนเหมือนว่ามีกำแพงล้อมรอบ เหมือนบ้านเหือนเขามีฝาผนังปิดบังไม่เป็นอันตรายลมพัดหรลมเป่าจอผลสาปประการใดๆเหมือนกับเสื้อผ้าที่นุ่งในตัวของเราปกปิดร่างกายอวัยวะความร้อนหรือความหนาวเป็นการสะ ง, งาหรืนการ ผ้าปกปิดร่างกายของตนอันนี้แนะ่ลว่าเรียกว่าศีลเปยตทั้งหลายที่มมีผ้านุ่งผ้าหม่มเบยการอยู่ตลอดไปเป็นนิดอันนั้นแปลว่าเป็นมนุษย์เขาไม่เคยพักไปได้ศีลในชีวิตของเขาตายแล้วเป็นเศษก็ต้องสวยผลแห่งความทุกข์ตลอดไปหีทั้งหลาย ผ้าขาดชุมชายชุกกะปกร่างกายเหมือนขี้มิ่นหม่อทาหน้าทาตาทาตูอันนั้นด้วยเหตุประการใดชินของเขาไม่สะอาดชุกปกะปกขาดตกบกก้องประการใดๆไม่รักษาให้ความสะอาดตลอดกันไป เพราะฉะนั้นตัวของเราทุกคนในเวลาัตบเดียวนี้ให้คิดอ่านแก้ไขตัวเจ้าของทุกคนที่เกิดมาเราทุกคนเจตนาแล้วในเบื้องต้นว่าจะลงมาเกิดเมืองมนุษย์จะสร้างบมเพนญความดีต่อไปจึงได้พ้นผ่ากันเกิดในประเทศไทย ประเทศไทยพุทธศาสนาย่างยืนถาวรกันมาพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศชาติบ้านเมืองรักษระาศาสนาไม่ลมจมเสียหายประการใดๆกันมาเราเกิดมาแล้วได้พบปะให้พ้มพากันคิดอ่านตนของตนเพิ่มเติมความดีตนของตนยังจะได้รับผลความสุขเป็นมนุษย์และเป็นเทวดา หลายพวกชาติก็เราจะใช่ชนะได้คํามาใช้ชนะได้1นงบุญกุศลแรงสงใจตั้งได้ไม่พุ่งเฟืสามได้ธรรมะอง์ยานองคซานเกิดขึ้นสว่างสวัยตลอดเป็นนิดรูจังเหตุผลประการใด ผลที่เชโกชัยชนะสิ่งความชั่วได้เป็นอริยะบุคคลเกิดขึ้นได้ทันทีหนีจากโลกได้ตลอดไปนี่ให้เราทุกคนญาติน้องทุกคนจะได้ขึ้นชื่อว่าสุขโตผู้ไปดีสุขโตผู้มาดีทุกขโตไปไม่ดีทุกขโตโมาไม่ดี โลกวิชูลู้จักว่าโลกอันนี้เป็นที่อยู่ของผู้คนสัต์ทั้งหลายที่ยังเป็นบุตรชนหน้าที่จะเกิดหน้าที่จะตายหน้าที่ความดีจะเกิดขึ้นหน้าที่ความชั่วจะเกิดขึ้นให้พ้่มพากันฝึกฝนอบรมตนของตนความดีเพิ่มเติมบารามีของตนต่อไป จึงจะได้ขึ้นเสวนาปชัยะปัชจโยอุปนชะยะปชะโยปเรีชาตาปชะโยปชาชาตาปชะโยอศาศิวนาปชะโยกรร ม, มะปชะโยพุกผลของตนจนเป็นนิสัยจนเป็นปัจจัยความดีตลอดไปเหตุตัวปชะโยเราทําเหตุอะไรไว้ในโลก อารมณ์ัจเจยูทําเป็นอารมณ์อยู่ในใจของตนตลอดไปอธิปติวัจเจยูแปลว่าทําเป็นนิสในจิตของตนตลอดไปทําความดีก็แปลว่าตัวของเรานั่นเองได้รับผลประโยชน์ความสุขของตนต่อไปขันถ้าเราทำไม่ดีแล้วก็แปลว่านั่นได้โชยผลความทุกข์ของตนตลอดไป ทุกผลเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตนไว้เกิดมาชีวิตใดแปลว่าเป็นผู้รู้จักภัวะความดีของตนพัชชาชาตาพระเจ้โยชาปัจจุบันของ